บุกทูสามสิบสี่ทรอชติรทรอชิติรบนรถไฟวโวูวโวสนั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมครับดออบล ดัลีอวอวเบรลินรถไฟออกเมื่อไรรับครักก้าทรักรรถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไรครับก้าติกนบลินก้าพริสติกนัววเบลินขอโทษครับ ผมขอผ่านหน่อยได้ไหมครับูผมคิดว่านี่เป็นที่นั่งของผมครับผมคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของผมครับ มิสลัม дека вие с е д ส т е на м о น т о м е с ต о สโตมิสลัมอตนมัวเตูนอนอยู่ขบวนไหนครับค่าเดวานปียอนรถจะสเปตูนอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟวากอน о т จะสเปียเงี้ย ว AGONOT ด้วยสีเงี่และรถเสบียงอยู่ขบวนไหนครับขบวนหน้าครับอะค a g กคตอะค่าเด а n o ชกตผมขอนอนข้างล่างได้ไหมครับมีย ผมขอนอนตรงกลางได้ไหมครับผมขอนอนข้างบนได้ไหมครับเราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่ к ค г а า е คบีเดเมน่ากรานิตซาตาโค е ้าเคบ е เดเมน н ากรานิตซาต р ไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ л ุคู о ูลโกทราเอปตู а าเนโตโดเบอร์ลินคุคูดูลโรปตูวตดเบลินรถไฟจะเข้าช้าไหมครับดดดดลดดูซ คุณมีอะไรอ่านไหมครับที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมครับคุณช่วยปลุกผมตอนเจ็ดโมงได้ไหมครับ Дали би ме разбудиле в ิเลว่า7ชั่วโมง м วมูลอัมได้ลี่บีเม่รับสบุดิเลว่า7ช а м о โมง